ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่รลวพระโพธิธญาณได้นําเสนอเรื่องปัญญาบา ร, รมีมาครังหนึ่งแล้วเรื่องปัญญาบา ร, รมีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาแล้วคําว่าปัญญาเองนะครับต้องใช้ตไปตามระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน รวบรวมไว้ถึงยี่สิบกว่าคาความหมายทั้งหมดก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆแต่ว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกันบางครัง บ, บางคราวปัญญาในภาคบริหารภัากจัดการพักทำงานคือว่าปั๊บเดียวนี่ใช้ครบหมดทั้งเจข้อเช่นปัญญาในศาสตร์ปริษธรรมทั้งเจประการเพื่อสังเกตว่าจริงๆมันเป็นปัญญาคาเดียว เพียงแต่ว่าได้ใช้ไปเหมาะสมแก่เหตุแก่ผลแก่ตนแก่ประมาณแก่การแก่บุคคลแก่กลุ่มคนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขณะนั้นๆซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดไปผิดพลาดผิดพลาดขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งมันก็มีปัญหาเช่นสมมติว่าเป็นเรื่องจริง แล้วก็มีเหตุมีผลสมมติว่าคนเขายืมสตางเราแล้วก็บอกว่าจะคืนวันนั้นวันนั้นแล้วพอดีเราก็พบกับเขาในวันนั้นแต่เขาก็อยู่ในทํากลางเพื่อนฝูงแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่การจะถ่วงหนี้และเราเกิดไปถ่วงหนี้ขึ้นมาเนี่ยคือแสดงว่าไม่รู้เหตุผล และไม่รู้กลุ่มคนไม่รู้บุคคลไม่รู้กาลาเทศะมันเสียหมดเลยแทนที่จะกลายเป็นได้นี่อาจจะได้เรื่องอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันแนวการต่อไปตัวนั้นก็คือใช้ปัญญาแต่ว่าเหมาะสมสอดคล้องที่ท่านเรียกว่าทันยูตาธะมันยูตาจันยูตามัทันยูตาทั้งหมดเนี่ยมีคำว่ายุตาท่างแปลว่าความรู้ ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดความแตกต่างของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนะฮะถ้าเรามองดูให้ดีว่าพวกที่มีชีวิตอมาตะคือหมายความว่าตายแล้วยังไม่ตายเนี่ย <c oughs> มีชื่อเสียงเกียรติคุณความดีเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายอยู่ในระดับของอภปปิปูชนายบุคคลปูชนุอิปุญญยบุคคลเป็นวิระบุรุษของแผ่นดิน ร่วงการผ่านเวลามันนานแสนนานบางคนเป็นพันพันปีแต่คนก็ ย, ยังเคารพนับถือความคิดความเห็นความแนะนำสั่งสอนของท่านเหล่านั้นคติธรรมคําสอนต่างๆที่ปรากฏในศาสนาทั้งหลายเราเจนว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยถ้านับยุคประเวทมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็นานแต่ว่าพราหมณ์มันก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆ สรุบว่าในปัจจุบันก็เป็นศาสนาฮินดูก็คือศาสนาของพวกพราหมณ์นั่นเองก็มีคนเคารพรับถือสืบต่อถ่ายายทอดกันมาตามลำดับเพียงแต่ว่าสืบสาวถึงต้นตอไม่ได้รือว่าศาสดาเป็นใครนี้นม่สืบไม่ได้เพราะเป็นการพูดถึงเรื่องมารดสีแปดตนพระพุทธศาสนาเรา ก็มีความชัดเจนนะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาและปัญญาตรงตัวคือปัญญาที่ขจัดความไม่รู้คือขจัดอวิชชาความไม่รู้หมดไปกิเลสก็หมดไปพระไทยของพระองค์ก็เข้าถึงความกรุณาที่สมบูรณ์แ ล, แล้วคนเราอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตั น, นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆทฤษฎีทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นในโลกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของปัญญาอาระวะาจยากได้เคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชีวิตเช่นไรเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจรับสังว่าปัญญายีวีจีวีธรรมหุเศรษฐังคือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นปัญญาบารมีเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ขจัดตัวไม่รู้ก็คือวิจา แต่จริงถ้าเรียกให้ตรงข้ามเนี่ยเรียกว่าวิชาจะเลยเนี่ยจะชัดเจนเพียงแต่ว่าพอถึงวิชาเนี่ยเราค่อนข้างสับสนอย่างหนึ่งก็คือใช้ในภาษาของทางโลกแต่วความหมายมันก็หมายถึงการเรียนหนังสือในชั้นเรียนต่างๆเราเรียกว่าวิชาหรือวิทยาแต่ส่วนมากเราก็ใช้วิชาแล้วก็กลายเป็นวิชาคือตัดชอช้างออกเสียตัวหนึ่งก็เรียกพยัญชนะซ้ํากัน ในวักเดียวกันเนี่ยตัดออกเสียตัวหนึ่งแต่เวลาอ่านออกเสียงนะฮะก็ต้องอ่านอ่านออกเสียงในลักษณะอย่างนั้นก็คล้ายๆกับจิตตวิทยาเราเห็นว่าที่จริงจิตตวิทยามันน่าจะมีต่อเต่าสองตัวเพราะว่าออกเสียงว่าตะแต่ว่าทํานก็ตัดต่อเต่าเสีตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นพยัญชนะวักเดียวมันซ้ํากันอยู่สองตัวก็ตัดออกตัวหนึ่งแต่เวลาอ่านออกเสียงนี่อ่านเหมือนกับสองตัว ก็ประหยัดนะที่ตอนเขียนหนังสือก็เลยประหยัดที่ตอนจ่ายสตางค์ไม่ค่อยประหยัดก็เคยมีปัญหาปัญญานั้นจำแนกโดยรวมๆนะก็จัดจำแนกโดยประเภทก็แบ่งสรุปรวมว่าเป็นสองประเภทวันก่อนได้พูดถึงประเภทที่เราเรียกว่าสชาติกปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมันเลยกาเิด เป็นลักษณะของอัจฉริยะลักษณะของพรสวรรค์ก็แล้วแต่ใครจะเรียกคือคนนี้จะเป็นโดดเด่นเป็นเอกกว่าคนอื่นเหนือคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าโอกาสที่จะมีหลายๆเรื่องก็มีะเพียงแต่ว่ามีน้อยเท่านั้นเองนั่นก็แสดงให้เห็นงว่าปรรญาส่วนหนึ่งมันสะสมอยู่ในจิตสันดานของคนเป็นเรื่องของบารมีในแต่ละสายของท่านเหล่านั้น ปัญญาอีกประเภทหนึ่งนั้นเขาเรียกโยคปัญญาคือพูดโดยรวมนะว่าเป็นโยคปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการกระทาการศึกษาค้นคว้าแล้วเรียนมันผ่านที่จริงมาเป็นกระบวนการทางจิตซึ่งน่าจะทำความเข้าใจประการเด่นคือลองสังเกตในวงการศึกษาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างพูดในลักษณะต่อต้านการจา บางครั้งบางคราวมันเป็นหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์นะเราต้องการจำเอาไว้ในเราต้องท่องแล้วก็กคัดค้านการจำกับการท่องแล้วพูดกับเป็นตุเป็นตะอันมาเองก็ไม่เข้าใจอะนะว่าท่านไปได้หลักสูตรมาจากไหนท่านเรียนมาจากไหนเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆคําำจำมันเป็นงานของจิตจิตเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเองหมายความกระบวนการทางจิตเนี่ยมันมีสี่ระดับใหญ่ รับหนึ่งก็คือการรับรู้สิ่งที่ผ่านมาตามประสาทสัมผัสรับรูปโดยตารับเสียงโดยหูรับกลิ่นโดยจมูกรับรส้วยลิ้นรับเย็นร้อนอ่อนแข็ง้วยกายแล้วก็ใจเป็นตัวรู้นะว่ารูปนั้นรูปนี้รูปนั้นแต่เราจะเห็นว่าการรับครั้งแรกเนี่ยมันไม่มียินดียินร้ายอะไรมันมีแต่ไม่รู้พอไม่รู้ก็เครียดแข็งสงสัย สงสัยก็เพินประสบการณ์ด้วยการซักถามด้วยการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วมเกิดความการรู้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจเรล่านี้เก็บไว้ภายในใจเ็าเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือเป็นสัญญากับเบทนาสัญญาก็คือหน่วยความจำเระจำไว้ แต่จำตัวคุณค่าของสิ่งร้างคือจำหมดนะจำคุณค่าจำความดีจำความไม่ดีของคนเ่านันเอาไว้พอเราไปนึกถึงเขาหรือเห็นเขามันก็เกิดความรู้สึกเดิมเนี่ยเราที่เราเก็บเอาไว้ก็เรียกเป็นสัญญากับเวทนามันก็ออกมาเป็นความพอใจหรือไม่พอใจคือดีใจหรือไม่ดีใจเวลาพบกับคนนั้นๆล้วขึ้ น, นดยู่กวความรู้สึกของเรา เพรจิตจะทําหน้าที่จำเดี๋ยวเรียกว่าสัญญาแหละเป็นการจําของจิตเอาไว้ก็จําสารพัดนะฮะพรเราเห็นสารพัดเขาก็จําได้สารพัดแต่ว่าถามว่าถ้าใช้ไปตามจําเนี่ยมันได้หรือเปล่าล่ะบางทีมันก็ได้นะฮะถ้าเรื่องไม่สลับซับซ้อนแต่บางทีเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอีกกระบวนการนึ่งคือกระบวนการคิดทีนี้การคิดกับการจำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกัน คือถ้าเราจําไม่น้อยเราจะคิดไม่ออกเพรา ะ, ะความจํำยังต้องมีความสลับซับซ้อนเยอะไปหมดเลยแต่ท่านก็บอกไว้แม่้เราหนักใจนะฮะรู้ไว้ใช้ว่าใสาบ่บาแบะถามคือไม่ใช่เรื่องหนักหนาสหาหัสการอะไรแต่พยายามที่จะเพิ่มพูนความจําพอจําได้มากเราจะคิดได้มากเลยจะคิดได้วิจิตพิสดารรายกตัวอย่างดูง่ายๆเนี่ยว่าจิต ประสบะการณ์เนี่ยมันมีการเอิงอาสัยซึ่งกันได้กันจิตนั้นจะเหมือนกนรบโหลงานที่จะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ดียังไงก็ตามนะคือถ้ามีประสิทธิภาพสูงแต่วัตถุดิบไม่มีให้ผลิตมันก็ผิดอะไรไม่ได้ถ้ามีประสิทธิภาพต่ำแต่วัตถุดิบมีคุณภาพสูงมากก็ผิดเอาดีไม่ได้ เพราะสองประการนี้จึงต้องมีส่วนสนับสนุนกันคือจิตเองก็ต้องมีประสิทธิภาพในการรับในการจําในการคิดแล้วก็ในการพัฒนาความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ทั้งสี่ระดับเนี่ยพัฒนาความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราก็คิดได้หลากหลายให้ลองสังเกตว่าสมมุติเราเรียนภาษาไทยนะเรียนภาษาไทย ก็เรียนได้นะอ่านได้เขียนได้เรียบเรียงได้เขียนจดหมายได้เขียนหนังสือได้อะไรต่ออะไรถามว่าจะเขียนฉันได้ไหมมันต้องเรียนเพิ่มเติมก็เลยเพราะว่าฉันนะ่ะมันมีกฎเกณฑ์มีทีฆะมีรัะมีคารุโลหุมีจํานวนคํามีสัมผัสมีอะไรอีกเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศัพท์ต่างๆเนี่ยศัพท์ต่างๆในฉันทลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูด มันเป็นภาษาทางวรรณกรรมความสลละสลวยของการใช้ภาษาเเป็นภาษาทางวิชาการส่วนมากก็เป็นบาลีเป็นสันสกฤตนะซึ่งตามปกติเราก็ไม่เอามาใช้พูดโดยโดยทั่วๆไปมันก็พูดแล้วก็ฟังกับในพระโลกแต่ว่าท่านเอาไปไว้ในฉันเพราะพอถึงบทจะแต่งฉันขึ้นมาเนี่ยการศึกษามันก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่แล้ว มีประสบการณ์ในด้านภาษานี่สูงขึ้นในเรื่องชั้นสูงขึ้นวิธีการทางชั้นก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน่วยของความจำมันก็ต้องทพมประสิทธิภาพซับเหมือนกันคำที่มีความหมายเหมือนกันปนัญหาว่าจะใช่ยังไงบางทีก็อย่างคนบางคนที่เขาเล่า ที่จริงก็มาอยู่วัดววรเนี่ยผู้ใหญ่ท่นานเล่ฟังแล้วท่นานเล่าครั้งเดียวน่ยก็จําได้คือมันขำมันขำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอใช้คําแค่สองคำนะฮะแต่ว่าพูดได้ตั้งเยอะเลยก็วิบว่าเป็นอะไรละ่ะเป็นคนใช้ของเจ้านายระดับระดับพระองค์เจ้านะก็จะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะก็มีอยู่สองสององค์ แต่คนช้ขององค์หนึ่งน่มาถามอีกองค์หนึ่งก็ถามว่าเสด็จให้มาถามเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จก็จะเสด็จด้วยถ้าเสด็จไม่เสด็จเสด็จก็จะไม่เสด็จแกฟังรู้นะแล้วในแวทบงของเจ้านายเนี่ยเขาฟังรู้ เราเห็นว่าเสด็จบางคำเนี่ยมันเป็นสปปรรพนามบางคำมันเป็นกริยาเธอจึงใช้คำอยู่สองําคำนั่นเองว่ายาวเย็ยดคำเป็นคำมันมันซ้ำจนจนรู้สึกไม่ไถ่หรอเพราะนะคำว่าเดินคำว่าไปเนี่ยคำว่าสปปรรพนามเรียกเจ้านายที่ใครก็ตามมันต้องมีความหลากหลายได้ ไม่ใช่พูดโดยภาษาลิเกแลาวจะว่าพวกลิเกเนี่ยที่จริงมันใช้ภาษาวรรณคดีภาษาทางวรรณคดีนี่จะอยู่ในการร้องลิเกเนี่เยอะแต่พอร้องเข้าเนี่ยบางทีก็ถือไม่มีคำอ่ะือไม่ได้ศึกษารอบรู้ในเรื่องคำไปป่คือตอนเป็นเด็กๆฟังไม่ค่อยแปลกหรอก แต่ว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปได้ยินฟังแล้วก็ขนลุกมันเขินคือสงสารมันพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ากล่าวถึงมุนีฤาษีดาบทองค์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วพราก็เดินพระก็ดำเดนินพระก็เกรา่ามันได้สองคำคือฤาษีเดินเนี่ยนะแต่คำเนี่ยมันเกิดหลากหลายขึ้นมนเกิดหลากหลายขึ้นแล้วฟังแล้วเนี่ย ววเราวิเจนว่าเข้าใจแต่ว่ามันเป็นผลนผละความเฮอหนึ่งผลละความก็คภาษาลิเกเพราะปัญญามันต้องพัฒนาขึ้นครบในวงการของเขาคือรับรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็จำหน่วยความจำในต้องดีมีประสิทธิภาพเป็นความจำดีจำได้แม่น จะพูดจะจาอะไรจะยกคำขวัญคำอะไรแต่แรงต่างนมายกมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแล้วมันขึ่งคือไม่ใช่พูดไปทื่อๆนะฮะเพราะว่าในเวทวงของวิชาการบางอย่างเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาจะมองเราด้วยความดูหมิน่นะเช่นว่าพระเข้าไปพูดมันก็ต้องนึกไว้ก่อนนะพระก็จะรู้อะไร บางก็อาจต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีความรอบรู้ในเรื่องที่เราจะพูดแล้วก็อาจจะรู้ในสิ่งที่ท่านเหล่านั้นไม่เคยคิดได้ซ้เาเผือแสดงเห็นถึงความเหนือเขาไม่สูญเสียประโยชน์หรอกที่ฟังคนก็สนใจที่จะฟังนั้นก็แสดงเห็นว่าตัวปัญญาเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแม้ในเรื่องเดียวกันมันต้องคิดได้หลากหลาย กระบวนการในการคิดไม่เชื่อมโยงกับความจําก็ชอบยกตัวอย่างให้คนคขฟังนะฮะคือฟังมันดูง่ายดีคือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องที่เราขาดประสบการณ์เนี่ยขาดวัตถุดิบในเรื่องเหล่านั้นแล้วเราคิดไม่ออกหรอกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพระยา น, นาคพระยาครุฑราชสีราชสีตินสาสีโคจะสีเสียสีอะไรในเครือราชสี่ะ ไม่มีในประเทศไทยทั้งหมดแล้วบางอย่างในน่าจะไม่มีในโลกเลยําไปก็เรียกว่าสัตว์ป่าหิมพานสัตว์ในเทพปณิยายสัตว์ในโลกดึกดำบันดแต่วันนคดีเรามีเยอะจังมียักษ์มีครุฑมีพยาน้ามีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแล้วทำยังไงว่า จิตกรปฏิมากรซึ่งต้องเขียนต้องปั้นภาพเหล่านั้นออกมาเธอก็คิดไม่ออกหรอกานต่างคนต่างก็คิดยจินตนาการตัวเองแต่ภาพที่นำมาคิดเนี่ยมันจะคุ้นๆเพราะเราเห็นว่าสิงโตในเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นภาพของสุนัขบ้านสุนัขหลังอ่านนะ แล้วก็ภาพของพญานาคก็คือภาพกอางงูจงอางภาพของพยาครุดก็คือภาพของเหยี่ยวซึ่งคุดเคยะนะขยายอัจฉริส่วนออกไปเท่านั้นเองถามว่าจริงไหมมันไม่จริงจนจริงอ่ะเพราะว่าสร้างขึ้นโดยอุปาทานมันเหมือนกับพระบรมรูปของ พระเจ้าแผ่นดินของเราสี่พระองค์นะที่จริงไม่ใช่สีพระองค์หรอกคือนับตั้งแต่ราชการที่สามขึ้นไปเนะี่ยไม่มีใครเห็นท้งนั้นนะ่ะตัวนี้เรามีภาพปั้นเรามีประชาชุสาวรุรีแล้วก็ถ่ายขึ้นมาจนยึดติดเป็นอุปาทานไปแนละ้วหมายความว่าภาษาธิศลักษ์ของราชการที่หนึ่งสองสาม่ต้องเป็นอย่างเนี้ยไปทำอย่างอื่นไม่ไดนะ้เขาบอกว่มันผิด แต่ตรงนั้นที่จริงถูกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าใครเกิดไม่ทันจะเรียกว่าไม่จริงจนเป็นจริงแล้วก็กลายเป็นอุปท า, านไปแต่ว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยมันใช้ระดับอุปท า, านไม่ไดร้ระดับตัวๆไปนะพอไหวนะระดับอุปท า, านนะมันใช้ไม่ได้เพราะความรู้มันต้องรู้จริง เพราะจากความคิดมก็นําไปสู่ความรู้แล้วความรู้นั้นรู้ศาสตร์นาเองก็ไปย่อยออกไปอีกรู้เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเรียนขึ้นเป็นสามระดับท่านอุปมาว่าเหมือนกับการรู้เหรียญเหรียญหนึ่งปัญหาว่าใครเป็นคนรู้เรื่องเหรียญเด็กรู้เรียนเรียนผู้ใหญ่รู้เหรียญอธิบดีกรมธนารักษ์รู้เรื่องเหรียญแล้วก็ให้แต่ละคนเน่ยเขียนอธิบายเรื่องเหรียญ รเราเจนว่าทีป่ปดีกรมดารักในี้เขียนได้แต่หลายหน้าเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ทำมากับมือท่านรู้ทุกขั้นตอนของการทำเหรียญเหล่านั้นเจ ต, ติบายได้วิจิตพิสดารแลก็แยกแยะอะไรได้ชัดเจนปลอมไม่ปลอมผิดคราวนั้นเท่าไรแล้วแต่มรนจะเล่าได้แต่ถามวม่าเด็กนี้พูดถึงเหรียญไหมก็พูดนะ ผู้ใหญ่ผู้ถึงเรียนไหมก็พูดแต่ถามว่าเด็กรู้ไหมว่าเหรียนจริงหรือปล่าไม่รู้ผู้ใหญ่รู้ไหมส่วนมากก็จะรู้นะะแต่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกัน อ, อธิบดีกรมตารักรู้ไม่รู้เลยแล้วก็แสดงเห็นว่าความชฉลี่ยชำนาญในต่างกันเป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการท่างก็เรียกระดับแรกเนี่ยรู้แบบจําระดับที่สองเนี่ยเรียกวิวญญาณคือรู้แจ้งขึ้น ระดับที่สามเนี่ยรู้จริงแล้วก็รู้หมายความมาย่อยแยกส่วนออกไปแล้วก็รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นอะไรแล้วก็สิ่งลนั้นมาผสมกันก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผสมด้วยสัดส่วนอะไรอะไรมันก็แสดงว่าเรื่องเหล่านี้ยมันต้องอาศัยหน่วยความจำเนี่มันหาสารมากๆแต่การศึกษาในปัจจุบันไม่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครูบาอาจารย์ที่ไปฟังมาจากพรั่ง น, นะ กวนก่อนก็มีคนเข้ามาถามว่าเขาประชุมเรื่องประจักษการศึกษาเขาไม่นิมนต์ท่านเจ้าขุณเหรไม่เห็นพระผู้ใหญ่ไปก็มีแต่พวกมาประเรียนบอกว่าอาตมานั้นเขาไม่ได้นิมนต์แต่นิมนต์ก็รู้สึกวันนั้นไม่ว่างนะแต่ว่าเขาไปในนิมนต์แต่ว่าเวลานิมนต์เนี่ยมันอาตมาเป็นคนไม่ค่อยยอมฟังง่ายๆนะ เป็นคนค่อนข้างทำคานบ้านมาความเขาเขานิมนต์เรื่องอะไรเนี่ยเราต้องเอามาอ่านละเอียดแล้วเราขีดตั้งข้อสังเกตลากเส้นไว้ในจุดต่างๆ ต, ตั้งเครื่องหมายคำถามไว้เปิดปั๊บปๆ๊ปั๊บปัับเลยว่าเลยนะเพราะมาจากมีการวิเคราะห์วิจารณ์เยอะเดี๋ยวก็คนเหล่านั้นเนี่ยเขาถือเขาถูกแล้วอะ พอเราไปวิเคราะห์วิจารณ์ข้าวเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจแต่ก็ไม่แสดงอะไรหรอกวันบางทีเนี่ยอาจจะมาเป็นกรรมการเป็นอเป็นที่ปรึกษากรรมการาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมยุคเนี้ในยุคที่เกือบจะสี่ปีแล้วเนี่ยสามปีกว่ากว่ามาเนี่ยเป็นมาสามปีกว่ากาแล้วไม่เคยเรียกประชุมเลยแล้วก็เป็นกรรมการการสาของคณะสงฆ์ อาิบปดีสองอาิบปดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเรียกประชุมเลยก็ยอดเยี่ยมกันน่นะแล้วก็ที่แปลกขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยทุกๆสองปีการแต่งตั้งก็หายไปด้วยคือไม่ได้แต่งตั้งแล้วก็ไม่ได้มีการประชุมต่อว่าเวลาประชุมเราก็ไม่จะไปนั่งฟังโอวาทใครนะ แล้วก็มีความคิดเราก็มีความสนใจมีความคิดที่เริ่มเหมือนกันก็จะอภิปรายแต่ส่วนมากในแวดวงของพระเวลาประชุมในอาตมา ก, ก็จะคนธรรมดกเนี่ยจะเป็นคนอภิปรายมากพูดมากวิเคราะห์มากมันก็ไม่เป็นที่พอใจนะฮะคือคนบางคนก็ไม่พอใจแกรก็ทํามาถูกต้องหมดแล้วอะ่ะแต่เราเห็นว่าถ้าทําอย่างนี้พาสนามและปฏิบัติไม่ได้ถึงก็หมายความว่าประชุมเนี่ยต้องมีการอภิปราย คนก็ไปอ่านเทปมาให้ฟังก็ยังไม่ได้เปิดฟังฮนะอย่างที่ว่านี่ก็เพราะอะไรเพราะว่าต้องฟังแล้วมาต้องคิดต้องพิจารณาแล้วก็จะประเด็นแยกแยะก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเรียนรู้คือเรื่องปัญญาที่ผ่านลําดับขั้นตอนประเภทโยคะปัญญาเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตนะฮะปัญญาที่ประกอบกระทำกับคาเพียนเนี่ยหมายความวมีถ้าต้องการมีเรีย น, ม, ยนมีเรียนรู้มีจํามีคิดแล้วก็พัฒนาความรู้ขึ้นไปโดยลําดับจนรู้แจ้ง เขาเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงในเรื่องดอกนั้นเป็นประการสำคัญทั้งฟังทงั้งหลายในรมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟัง ท, งทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี